ในงานชาปนกิจศพคุณวิริยะณศีรวรรณเมื่อวันที่18ธันวาคม2515ณวัดธาทองกรุงเทพมหานครโดยท่านอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโน สัมมาสัมนมอัะัะวัตุอรตสัมมาสัะนโตัะัะวตุอรตัมมาสัะดเวะิมาังโัญญานะ แบบนี้จะเริ่มกระบวนการศึกษาภาวนากาสนึกธรรมธรรมสัจจะทั้งตื่นตื่นเยิกเบิกทั้งมาพุทธเจ้น์ึ่วันนี้เรย่นเกี่ยวกับการาฏิบัติของจุลวิย์นักสืวันซึ่งทำสัจจะเริ่มขึ้นในวันนี้ สำหรับเาเคยัดเกณฑ์สำหรั บ, บเราทั้งหลายที่ทราบคันมสลอดมาครอิตอันนี้เป็ น, น, น ว, วันทรงศกเริ่มทรงศกของปัญญายะนักสุดลวันอันเป็นการประกาศให้พวกเราทั้งหลายซึ่งมีภาระเช่นเดียวกันกับท่านและทราบตัวถึงกันว่า ความตายนี้มีอยู่กับทุกทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าคนโงค่คนฉละไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนเวใดเพดใดมีภาระคือธรรมชาตินี้อยู่เต็มตัวด้วยกันทุกคนตามพาสุขที่เยอะขึ้นเมือ่อในเป็นต้นว่าอจเตระอจมาต ต่างโพชัญญาเมื่อนางสุเวดังนี้เป็นต้นหลักจิตที่ควรทำควรทำเสียใ น, นวันนี้เสียโดยผัดเลี่ยนเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทำสงคามตัวหกตัวเองเมื่อถึอ ง, งเวลาจำเป็นเข้ามาจะหาทางแก้ไขไมนะ่ทันนะพิโนสังคารันเตมนะมหาเสือเมรณะศีนา ในภาษาต่อไปท่าน <c oughs> ว่าการตายนี้ไม่มีใครจะสามารถอ า, า ร, ถรู้ได้แม้จะมีอยู่กับตัวเราทุกๆคนก็าตามว่าจะตายในวันใดเดือนใดปืใดเพราะเป็นธรรมชาติที่เหนืออั น, นาจแตบรรดาศักดิทั้งหลายในโลกนี้ระเลีดเพลิงไปได้เมื่อการเกิดเติมไปอยู่จากใด เรื่องการตายจะตั้งเป็นไปดุริราบนั้นดังนั้นจิตใดซึ่งเป็นจิที่อวนสาหรับมนุษย์เราที่มีความถดกับบรรดาสัก์ในโลกนี้จะเป็นชนิพิจนาตกทางเดิมของคนให้กเทียนลุงไปเสียจากบัดนี้วิชาดเราก็เคยเรียนมาแต่วิชาความเต็ความตายยืดเป็นสิ่งที่ลึกลับอยู่มาก ทั ง, งที่มีอยู่กับทุกคนเพราะฉะนั้นการเกิดสิ็นทางให้าพาดอยู่เสมอามามาการควทำพาจะทําให้าพาดอยู่เสมอเนื่องจากเราไม่สามารถจะศาสความเป็นมาความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ของเราเพราฉะนั้นหลักพระพุทธศ า, าสนาข่านสอนให้ทราบเรื่องทั้งตัวมากกว่าเรื่องอื่นอื่น คือการพายจนถึง ส, สังข์การพายแล้วม่ได้หมายถึงว่าพายแล้วถึงซึ่งไปโดยการทั้งตัวหมดมตัวหมดใจหมดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายปวดเชื่องโลน่าไม่มีภัยไม่มีเวงไม่มีบาปมีกรรมมีความทุกข์เดือดร้อนติดต่อเกาะแนขนต่อไปอีกการพายมา่ถึนอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ตายยังมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมชาตินั้นท่าน ให้ชื่อว่าใจก็หรือให้ชื่อว่ามั่นคงคือธรรมชาติที่ยึดอยู่กับตัวของเรานี้และสามารถต่อหน้ามาหน้ า, นาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายไปไม่แฉะความตายมาถึงเท่าธรรมชาตินี้ไม่ใช่ธรรมชาติที่สูญสิ้นไม่ใช่ธรรมชาติที่หมดหมด่วงหมดใจหมดกังวลทั้งหลายแต่เป็นธรรมชาติที่ต้องต่อสู้กับความทุกข์ความทรมาน ท่านใบ้คือมาเกี่ยวข้องกับคนทั้งซึ้นทั้งปฏิบัติหน้าข้ามนี้หน้คภาพตายไปและภาพที่เนมาแล้วมากมายจนตนเองไม่สามารถจะทราบาด้เป็นสิ่งที่หนักหน่วงสำหรับจิตใจของเราหรือไม่หน้าภาพเาตยแล้วก็สูญไปพอที่จะถ้าเราหมดกังวลงเมื่อเวลาได้รับความทุกมครองอย่างเท่านั้นก็จากตาไปเสียจนหมดห่วงหมดใจหมดกังวล ท่านหลัมยัยไม่ได้อยู่กับความตายนี้แค่นั้นความตายนี้พระพุทธเจ้าก็้าทรงมือได้สาว่าพระรหัสรหัสกู้วิเศษวิโสท่านก็มีเสิ่เดียวกับกับทั้งหลายด้วยทั่วภายในโลกท่านจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งทั้งพันเมื่อเรียนรู้ราชาความตายเป็นทัศน์ธรรมธรรมดาด้วยบรญญาความทีเหลือสลาดนี้แล้วแต่ความตายนี้เป็นภาระที่หนักสาหรับพวกเราที่ยังไม่ทราบความจริงของความตาย มากเกินไปอย่างไรไในภายหลังแล้วสูนังที่เราคาดคิดกันไปโเฉยซึ่งความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้ น, นความจริงอย่างแท้จริงนั้นคือใจเป็นผู้ท้าเที่ยวทาให้เกิดในทุกข้าวต่างๆจะเป็นปรัชญาเป็นบุคคลก็ตา ม, นตา ม, นตามคนดีคนเั้วคนกลาดคนโง่หรือตกอยู่ในช้าแนะช้านะใจเป็นใดก็าตามแต่จริงคือมี้ารเกิดมาจาก ใจดวงเียวใจดวงนั้นมีความสามากถกระดรูใ้ในวิถีทางเดินเชื่อมกันเป็นไปทั้งตนอย่างไรมากน้อยอย่างไรหรือไม่ยีดเป็นหลักทั้งพันถ้าจิตใจจะละตามสุขผลอบรมความหลักปฏิธรรมดาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วจิตจะรู้จักวิถีปฏิบัติแต่เปนเองโดยถูกต้องดีงามแม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ลืมตัว จะมีจะกจนก็ไม่ลืมตัวจากจนหนุ่มจนสาวก็ไม่ลืมตัวจะมีความรู้ความถลาดมีฐานะดีขนาดใจก็ไม่ลืมตัวย่อมทชาติชีพทั้งคำเป็นไปต่างไปทั้งคนอยู่ทเสมอเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งภายนอกเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้อาบในอามสมบัติเงินกลางกลางรับสิ่อันใดมาทั้งสิ้นมาใส่ปฏิติฏวิญญาณความง่าท่้งคำของเราติดตัวมาแล้วอาศัยวิดามันมาเป็นแรงเกิด ไปกําหนดเรื่องดูแลมาพอเป็นอัตภาพร้างตายขึงมาแล้วฝึกต่อต่อแขนแข่งําต่อไปคือทำดีบ้างทาชั่วบ้างถ้าเรามีสติในวับความอบรมทางศีลทำมันเป็นหลักตายตัวของความสุขบ้างในสติธรรมนาทั้งหลาแล้วเราจะไม่เสียข้าเสียทีนั้งเสียเป็นอยู่และพาไปจะเกิดในทพระาตรปิฎกบาลเมื่อวิคามีรอบตัวอยู่ในติดทั้งหลาย้ว่แล้วคนนั้นย่อมไม่จน จ ะ, ปะเปิาคันทบมีชาที่จะเกิดตาไ ป, ปอีกจ ะ, ปะเปิดในทัที่ดีในสถานที่ดีในทบที่ดีในทัศนเพศแห่งควาสุขความเจริญนางคนมิยะทื่ท่านมานภาคในใน้ท่านรู้สึกว่าได้สร้างผลนานความดีมาถึงเป็นจานวนมากเป็นผูน้มีน้ำาจสร้ากส การพาไปจปนจนตะเกียงกระแทกสร้างค า, ง ท, างที่สลาเกล่วไปเหมือนใรโลกกระตุกไปสณะเปลืนใจที่ได้กอดสร้งสงางพนางพันดีไว้ในตนนั้นนั่นคือตะเียงเชื่องเดินพาในขนาะพิา้ารณาจะเกิดในชาติใดเขราะใจุนงางพันดีที่สร้างให้นี้ย่อมติดแนบตัดใจไปหายาเอะเรียบเหมือนเงาเงตียมตัียว ถ้อยู่ผูกฐานที่ใดคืองานความดีนี่แหละคือมิตรหรือทหารทุกคนเจ็มตึ่นตายจริงๆถ้ากปับมิตรกหายพานพ่าขึ้นเวลาที่ยึดอยู่ความสายพันพายึดความสนิทสนมนคมเกินกันได้แต่เวลาถึงคาจำเป็นขึมาจริงแน่เป็นไปย er ังมองดูกันอยู่เฉยถึงจะรองให้กม่เกิดประโยชน์จะทาอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่สามารถไปเชื่อได้แม้เต่ราเดียเพราะฉะนั้นพนพายจริงจริงขขึ้น หนักอยู่มาก้งหักเราทั้งหลายที่ยังไม่สามารถจะทราบท่ติธรรมนาของธรรมชาตินี้ท่านจึงสอนให้อบลมศื่น ร, รมเพื่อมีใจจิตใจจะได้มีความเฉลียวลาดรอบพอบรอบ ร, รู้ความเป็นของตนและของผู้อืน่นซึ่งความตายในวันหนึ่งหนึ่งมีจำนวนมากเท่าไร ถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธาตุให้ทำให้เป็นเครื่องเคลือนสติเราไม่ให้สมาตรตัวเองได้แล้วเราจะได้พิจารณาทั้งวันทั้งคืนเพราะป่าปชาของตัดนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเทียง ม, มนุษย์เราเป็นผู้มีป่าชาเท่านั้นตับก็มีในหม้เข้าวข้าไปก็มีปา่าชาไปถ้ถานที่ใดก็มีป่าชาในตัวของเราเองก็มีป่าชาเป็นไปหมดในวาฏจักรนี้ ไม่้าเรคนกล้าจบอะไรอะไรแต่อะไรผลเข้ามาในนี้ขาดเอตระหนักไปตั้งแต่รันอุบัตมาจนระทั่งแบบนี้มีจํานวนกี่กล้ากี่ศพกล้าเราที่จะมาให้เป็นความร้อนเราต้องมาีสติและโดยความเฉลิมฉลองด้ทั้งในตาทั้งเนหน้าเป็ไปด้วยขาดภาพือดิบทั้งนั้นแต่เราก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นคนเป็นปัดเป็นุกคปนแล้วพุ่งเขเห็นจนลืมเนื้อลืมตัวถึงขราวันเป็นขึ้นมาจิงพระอะไรไม่พันที่ท่านเรียกว่าความประมาท เมรณะจึงมากระดาพระพุทธเจ้าพระธรรมก็สูงกระดาษธรรมะสุบาจามัยการสมาธก็คอความนตรีนั่นเองไม่พยายามสร้างปติปัญญาในสร้างศีลทำทุนงานทำดีไว้แจ่ใจทั้งตนเวลาจป็นจับพระอะไรพระไม่พันข่าพเจ้าเมว่ออาเชวัติจามาอัดกลางโธชัญญาเมรณะคือ การเียมที่จะทําให้เป็นประโยชน์จะเป็นทั้งปัจจุบันในวันนี้และวั น, นาาหน้า้าพหน้าจนไปเรื่องของสายความเสียจะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นของที่มีค้าอยู่นี้เวลาปลาจะแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะเอาปลาฆ่าไปขายเหมือนคุณค้าต่างๆเป็นตัดเป็นปลาอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะโลกเราถือกันคนความที่มีคุณค่าสําหรับคนเราเขาต้องการกระสุดแบบที่ตัวให้ดี นี่เป็นคุณค่าสำหลักมนุษย์คุณค so ่าอนี้มียิ่งกว่าคุณค่าของกับทั้งหลายที่ขาดเป็นจํานวนมากมากเพราะคุณค่าอนี้หาประมาณไม่ได้เมื่อหลับพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนลงไว้โดยลําดับลําดาตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงปากเป็นเสื่อนไม่ใช่เป็นเพียงสอนตักแต่ว่าให้เราทาพอเป็นพิษือเชื่อพาเป็นอิษสีเท่านั้นแต่สอนคามหลักความจริงจริง ยกตัวอย่างเึ่นขั้นสอนเรื่องความตายความเกิดต้นการเหตุในเกิดทุกทั้งหลายตีดตามมาแล้วสุดเมื่องะถึงความต า, าย เ, เป็นมรรุตในนี่ท่านเรียกว่าเป็นการทุกภาราะเวปันจักขั้นพาขันั้ห้าเป็นภาระอันหนักท่านจะสอนอยู่แล้วเป็นอนะันหนักถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นความธรรมชาติของขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักจริงหรือไม่มนั้นเราไปมาสังเกต ด, ดู ร่างกายของเรานี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นภาระให้หนักหน่วงกังวลยิ่งกว่าภาพเกขันที่รบกวนเราอยู่เสมอกร้างก็รบกวนหนาก็รบกวนสิวก็รบกวนเสียหายก็รบกวนเวลาเป็นเกิดโรคเกบดไขขึ้นมาภาในร่างกายเป็นต่างๆร้วนแย่กันจะเป็นเรื่องรบกวนนั้งนั้นนานก็รบกวนดูนานก็รบกวนเดินนานก็รบกวน มีแต่าอาการรบกวนอยู่โดยก็เหม่เสมอวไม่มีรักมีตอนไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่วันทํางานขังการรบกวนอย่างขาดสายไม่ทนั Thirty ้นข <That> ึ้นขาจนเป็นทำงานจริงๆซึ่งการเจ็บหนักโ่ยหนักภูเขาทั้งลูกนะจะมีหนักมากอย่างไรถ้าตามแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามามาทับผมโจนปีราให้รับคำทุกคําเดียว้ันเหมือนคาดขันเป็นส่วนแห่งร่างกายนี้เลยอันนี้เป็นการทับอยู่ตลอดเวลา คือคนเมนได้รับความทุกข์ทรมารย์ยิ่งเก่งทั้งขาทั้งก้าทั้งเย็นไม่มีแรงทีไม่ถึงไม่หลักได้นานตามแดดนอนฝนเอก็ค่เรื่องขากขันรบกวนนั่นเองแม่ได้อยู่โด้กินไม่หลับไม่นอนก็อยู่ไม่ได้การยิ่งเก่งทั้งขาพควมยิ่งเก่งทั้าก็เป็นมาจากขาดขันดื่มตังคับขาดไม่ทาตามก็เรื่งทุกยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกการพยายามเปี่ยนอิยาบทยืนเนเดินเดินเป็น่งนั่งเป็นนอนก็ดีเปียนตังจนอยู่กูไว้ คือการนับทางคนดีนาการอาบน้านนนนําคนอื่การห่มผ้าคนดี่นเป็นการสาธิตมามา ย, ยาปัจฉันนิสุปมาก็คืออันนี้เป็นเครื่องบรรเทาให้มีพลุกล้อเลาะอย่ายงบ้างเท่านั้นเส้นเดียวกับบุคคลที่เอาทางเทินไว้บนต่า ม, มือแล้วเดินไปถ้าเพื่อให้ถึงจุดที่หมายถ้าทางเทินนั้นไม่ติดอยู่กับฝา ม, มือจริงๆไม่โยนขึ้นบนอากาศจอได้บรรเทาความทุกข์ล้อมันบ้าง คนราะนั้นก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากอดทนตุบนาคาและวจบลงมาพอบันไายอดทนตุบนาคาเนี่ยจบลงมาพอบรรพายันไรรพายังตั้งถึงที่สลับทิ้งนั้นก็พอบรไพายได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าจะเจาให้อยู่ในยาบทใดบทหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นท่านเดินอยู่โดยท่าเดียวนั่งอยู่โดยท่าเดียวนอนอยู่โดยท่าเดียวเดินอยู่โดยท่าเดียวเหล่านี้ไม่ได้เราต้องเปลียมจากเดินเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งเป็นนอนแล้วก็เปลียม อาหารการบริโภคไปอยู่เรื่อยๆมีเหมือนกับเราโยนผ่านกรงขึ้นบนอากาศพอได้บันทายบ้างในระยะหนึ่งหนึ่งท่านจึงเห็นว่าภาตุขันนี้เป็นสิ่งที่หนักหน่วงมาก จ, จึงนึกกลับได้ว่าพาังอวัยวะปัจจุบันขาดขันท่ า, ทาห้านี้เป็นภาระอันหนักนะนี่ขันสองอย่านงนัง้นแต่เราไม่ได้พิจารณาให้ถึงใจกัดจนแข็งที่หน้าเลื่นเดิมบันเทิงจนเดิ่มเนื้อลื่อมตัวก็มีลืมไว ลืมปีลืมเดือนลืมข้าวลืมแต่ลืมไปเสียหมดเหมือนกับตนจะไม่มีป่าช้าความจริงป่าช้าอยู่กับร่างกายของเรานี้ทุกยะดีบทันเข้าทุกวันทุกคนันชลาจะอะไรจะชลาถ้าไม่ใช่สังขารร่างกายหรือสังข้านี้ชลาความจะปวดเจ็บร้อนถ้าไม่ใช่สังขารหือสังข้านี้อะไรจะเป็นสิ่งที่เกล่ยงมาทั้งหมดนี้เลื่อนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องดีบตึงคับเราให้รับความทุกคนันแดดร้อนเมื่อถนัดเกิดเป็นทุกขันท้นาเป็นภาละอันหนักเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเรียนอันหน้าให้จดให้รู้อย่างน้อยให้รู้เรื่องของอันหน้าพอประมานแล้วความข้ทาวความชล า, าก็ก็ดีความทุกความตนก็ดีความล้มความตาก็ดีซึ่งเป็นสิ่งธรรมชาติทือมนุษย์ทั้งหลายจะต้องเจอกันซับซันในการในกาลหนึ่นนเนเนเนงเร า, า, า, าก็ในเดือดร้อนมากเพตนมไปท่านจึงสอนให้รู้มีปัญญาทางเต็นตาขต่าให้ทราบจักให้ทราบเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ด้วยดีแล้วสุขะโตแล้วอยู่ก็เป็นสุข ตายก็เป็นสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขแม้ตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะเป็นผู้เรียนรู้หลักของปฏิธรรมนาอีกพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมทั้งหมดนั้นท่านสอเคลื่อแย้ที่เหลวตันหาอาสวะท่นแก้ความทุกข์จากจิตใจของทวกเรานี่แหละพระองค์ไม่ไม่ตรงมุ่งหมายอันในจากตัดทั้งหลายเลยแต่ทางเข้าว่าด้วยพระเมตตาพาเรามาพิณิพจนาการหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้ว กันเป็นคติธรรมนาหรือกันเป็นธรรมชาติตายตัวตัวของเราถ้ได้รับความสุขความสบายหลักใจของพระพุทธศาสนาทกานสอนลงที่กรรมเป็นหนักสําคัญธรรมกันได้เจากการกระทํากระทํทาด้วยกายก็เรียกว่ า, คำคำคากรรมผู้ ท, ทางวาจาก็เรียกว่ากรรมคือการกระทําจิตทางใจก็เรียกว่ากรรมคือการกระทํากระทําทางกาจกระทําทางวาจากระทําทางใจ ความทำดีความเชื่อทางตาทางวาจาใจนี่แหละควานเรียกว่ากดำผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําในภวานทั้งสามนั้นถ้าเป็นฝ่ายดีก็ผลให้เกิดความสุขครามาสบายขึ้นมาที่ใจของเราถ้าเป็นฝ่ายเชื่อก็ก่อความเดือดร้อนขึ้นมาที่ใจใจเป็นผู้รับทั้งเหตุและผลคือใจเป็นผู้ทาและใจเป็นผู้ได้รับเพราะใจเป็นผู้ไม่ตายใจเป็นผู้ไม่มีปากทาไม่ได้เขาสุกเ ข, ขาเมินเหมือนสัวร่างกาย พอออกจากสถานที่นี้แล้วก็ไปเกิดสถา น, นที่นั้นออกจาสถานานที่นั้นก็ไปเกิดที่น่นไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยความแปรกระเบียงกลงของจิต น, นั้นจะมีมากน้อยเพียงไหนทำแต่ความเชื่อฟ้าละโมกสังสมแต่ทมไม่ดีไม่งานตามความชอบใจของใจโดยแม้พํานึงถึงเหตุถึงผลแล้วครอบครูผู้นั้นเป็นผู้ครอบโดยความทุกข์ความประมาณทั้งหลายไว้ใจใจของตนจนแทบไปไม่ไหว นั่งอยู่ที่ไหนก็โอยนอนอยู่ที่ไหนก็โอยถ้เกิดในครอบใดชาติใดก็มีแบบความร้องทางทางเรื่องทุกเรื่องโอยทั้งนั้นและเราสร้างเรื่องไม่ดีไรผลจึงจะผลิดขึ้นมาแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามแมเราได้ทําคําชั่วในสถานการที่ใดๆก็ตามแต่ผลกรรมอันนั้นจะไม่ลดยอนความผันไม่เป็นไปตามความจนได้หรือจำไม่ได้ต้องเป็นจำอยู่นั่นแน่และต้องเป็นผลของรำอยู่นั่นแน่ หากเราได้ทำความดีก็เช่นเดียวกันจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามความจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่สามารถที่จะลบล้างความดีก็ชื่อที่ตนทําลงไปแล้วนั้นว่าไม่ให้เกิดผลแต่อย่างใดแต่ต้องเกิดผลโดยแน่นอนนี่หลักพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนี้คนเชื่อกรรมแล้วย่อมเลือกเฟ้นในจิตที่ทำํทำทาที่พูดสิ่งที่คิดภายในใจเสมอ การเลือกเติมเสียตอนี้ค่อยทำค่อยพูดค่อยคิดนั้นจนนี้แต่ทั้งคนผู้มีสติปัญญาให้ควรเป็นบุคคลผู้เห็นตนเป็นของมีคุณค่าไม่ใช่จับทุ้นลงไปเดียวจะทำอะไรก็ทุ้นลงไปทุ้น ล, ลงไปตามความพอใจแต่เวลาผลเกิดขึ้นมาแล้วจะสลัดผัดทิ้งแต่ไหนก็ไม่ได้มีแต่การบนกัรย่องฟางท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เทานั้น ในเมื่อคุณค่าแห่งร่างกายทั้งเรายังเป็นไปอยู่จะจัดจัดทำอะไรได้อยู่จึงไม่ควรประมาทเรื่องทั้งสวยเสียตั้งแต่บัดนี้ธรรมทานคือการเสียตละดนั้นเราไม่ทานให้ใครเราทานให้คนนั้นผลก็มาเป็นกับเรานี้ออกจากมือคนนี้ก็ไปสู่มือคนนั้นผลก็เป็นของเราธรรมทานคือการให้จะให้สิ่งใดก็ตามเพือ่อความเสียตลาด ไม่หลังผลตับแทนในอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนนี้เท่านั้นท่านเรียกว่าทานจะทเป็นพยาจะเป็นวัตถุทานก็ตามเป็นธรรมทานก็ตามเป็นวิชาทานอะไรก็ตาเแต่สิ่งที่ควรทํำคือท่านเรียกว่าทานอ น, นาถแห่งทานนี้แต่สิ่งที่จะส น, นับสนุนบุคคลผู้กเกิดในสถานที่นั้นๆให้มีความเป็นปดั่งสมบูรณ์ ถ้าเกิดในพุกใทดท่านใดก็เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่อดอยากขัดแคนนี่เป็นประเภทหนึ่งแบบสุดท้ายเขาเรียกว่าบุญเช่นเดียวกันคนเราเมื่อสมบูรณ์คุณสุขแล้วก็เป็นสุขถ้าขาดแคนก็เป็นทุกขอะไรอะไรที่มีอยู่ในบ้านในเรือนทั้งเราเชื่อสมบัติพระปานแล้วไม่อดไม่อยากขัดแคลนเราก็มีความสุขเชื่อมไปทางไหนก็ติดมือมาเชื่อมไปทางไหนก็ติดมือมาเรามีความสุข ข้าไปทางไหนก็ไม่เจอข้อทาไงไหนก็เกือแต่น้ําเหลือข้อทางไหนก็เจอแต่น้ําเหลือข้เป็นทุกข์ขึ้นมามีเวลาเจริเตュรเข้าจริงๆใจของเราก็ําเป็นอย่างนั้นเหมือนกันปกติธรรมดาไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวาอย่างนี้ความสุข ก, ก็ดูไม่เป็นของจําเป็นความคุกก็ไม่ไปจำหนึงถึงความอุณาชาแฉงอะไรก็ไม่จำหนึงถึงความตาก็ไม่จํานึงแต่เวลาจําเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วต้องจํานึงด้วยกันทุกคนเพราะความจนตอกมีอยู่กับ ทุกทุกทุนามไม่วันนี้ก็ต้องวันพรุ่งนี้เป็นได้เพราความทุขมีอยู่กับผ้าสั่งขันมีอยู่กับใจทั้งเราความสุกขก็มีอยู่กับผ้าสั่งขันมีอยู่กับใจของเราทําไมจะไม่เจอต้างเจอกันในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะต้องเปนผู้เจอเพราะการ ม, มาเกิดในทศในโลกต่างๆนี้เหมือนกันตัดมาต่อสู้ทุกแล้วก็ต้องต่อสู้สุขเราก็ต้องยอมรับอันใดที่ผ่านเข้ามา S <S <an> <S เกี่ยวข้องกับเราเราจะปฏิเสธไม่ได้เราต้อยงยอมรับเมื่อเราเป็นผู้ยอมรับอยู่ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลแล้วจึงควรเลือกเล้นสิ่งที่ควรจะทําสิ่งไม่ควรทําสิ่งที่ควรพูดสิ่งไม่ควรพูดสิ่งควรคิดสิ่งไม่ควรคิดเลือกจิตใจได้ดีคนนอนเมื่อมีการค้นคว้าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทารกระทาคําที่พูดจิตใจคิดออกมาอยู่เสมอแล้วย่อมไม่พลาด เมื่อไม่พลาดไม่ต้น้งเองแล้วผลขิดจะเกิดมาจากที่ไหนย่ำไม่มีมีแต่ความล่มเย็นสงบเวลาพระพุทธศาส น, นาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นทันเรียกว่าตัวอารประธรรมคือตรัสไว้ชอบตรัสไว้โดยถูกต้องไม่มีสิ่งืูภาพไม่และเป็นนิยานนิปะธรรมสามารถที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับโดยไม่ต้องสงสยัย ไม่มีโอวาทหรือคาสอนของท่านผู้ใดจะเสมอเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นของแท้ของจริงพระพรไทยของพระพุทธเจ้า น, นั้นเป็นพระไตยที่บริสุทธิ์เด็ดพ้นจากที่เด็ด อ, อาสวะขึ้นเป็นสิ่งมัวหมองลึดเป็นสิ่งติดกำบงังคือจะให้ทํำคำสุดต่างศาลาเป็นพระไตยที่บริสุทธิ์เมื่อพระไตยที่บริสุทธิ์มีอยู่ในพระองค์แล้ว การสั่งสอนการโลก ต, ต, ต้องสั่งสอนด้วยความไว้สุทใจสั่งสอนด้วยความศรัทธาถ้าพรจะประหลาดรู้ก็ต้องปฏิบัติปูกไม่ปลูกไมไ่รับผลที่ความประหลาดรู้เป็นป่าธร า, าขึ้นมาการสอนโลกจะสอนสิทธิไปไม่ได้ต้องสอนให้ปลูกสร้างการหลักปฏิปธรรมนาที่พรองค์ทรงรู้เห็อย่างไรีจรึงเรียกย ว, ว่าตัวขาโตพระวตา ท, าาทำหมดพระธรรมเป็นท่านพระภูมิปราาะพากชาติตรัสได้ทราบแล้ว นิยามนิกระทผู้กระพุทธปฏิบัติในทางใดหนักแต่ในทางใดก็ย่อมมีผลจากฏฎขึ้นในทางนั้นอันเป็นความรือตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่สุดภาพเจนอย่างอื่นแต่หน้าจึงเรียกว่านิยามนิกระทไม่ใช่ทำลงไปแล้วผลไม่มีถ้าดัางนั้นศาสนาก็เป็นโมฆะศาสานาก็เป็นธรรมชาติที่โคหกคอบวรงโลก แต่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็ น, นศาสตราโพบมันใช่เป็ น, นศาสดาลวงโลกคําสอนจึงเป็นของจริงเสมอไยไม่เป็นคําสอนที่หลอกลวงพระพุทธเจ้าจัดไว้ในทางใดประโยชน์ใดออกมาแล้วจากพระไทปพทิสูจน์ตรงเห็นจริงรู้แจ้งทุกอย่างไม่ใช่จัดไว้อย่า ง, งานานๆเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่พาดเอาดาวเอาเป็นเศษมากไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นคําสอนที่คนต่อการที่ถูกไม่ได้ยกตัวอย่างใกล้ใกล้ ที่มีอยู่กับตัวของเราท่านว่าจะทำทั้งสี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้ธรรมของจริงทั้งสี่ธรรมของจริงทั้งสี่นี้ก็ประกาศภาพาอยู่กับพวกเราทุกคนนอกจากเรามาพิจารณาให้เห็นความจริงนี้เท่านั้นจึงอาจเมื่อทราบเพียงความจริงทั้งที่มีอยู่กับตัวของเราคําว่าทุกทุกทายก็มีอยู่เสมอทุกใจก็ปรากฏอยู่เสมอธรรมวัมถุไัย เรืงนั้นที่ว่าพระสหัสตากาตะอัจฉริยมีมีก็ยู่ที่ดังตามมัตปัญหาภาวะปัญหาที่ภาวะปัญหานี่ก็เป็นไปอยู่ในจิตใจของเราทุกๆคนไม่มากก็น้อยจนไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่ากัจธรรมไลักคือทุกข์ตัดสมูทัยเป็นสิ่งที่ไม่ถึงจักวานามากคือข้อปฏิบัติมีทานสีนภาวนารือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นท่านเรียกว่าเป็นทางเดิน เกี่ยวกัความบุคพลนิโรดนิโรดได้แก่ความดัดทุกมรคคือข้าพิธีบัติเรามีกําลังมากเป็งไรทุกจะดัดไปโดยลําดับลำดับ ด, ดับด ต, ตั้งแต่จํานวนน้อยจนกระทั่งถึงจํานวนมากเมื่อทุกเมื่อมรคคือภาพปฏิบัติมีกําลังความสามารถเต็มที่แล้วย่อมเป็นนิโรดโดยสมบูรณ์เรียกว่านิโรดคือความดัดทุกโดยจิ้นเทิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั่นเลย แต่ส่นร่างชายนั้นมันเป็นบ้านเป็นเดือนของทุกข์อยู่แล้วถ้ากายที่ไม่แตกพลายเมื่อไรทุกต้องมีอยู่จนประจำเพราะกายนี้เป็นบ้านเป็นเดือนเป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์หรือว่าเป็นกางทุกข์ครอคือเมื่อกายนี้ยังเป็นกายอยู่ต่อใดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะดิญญาณยังเนผู้นับทาาอยู่ในกายนี้เมื่อภายแต่แล้วก็หมดความหมายกายจะใส่ปืนใส่ไฟลุกสังนองกายก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีผู้รับถ้า นี่ในกัจจธรรมทั้งสี่นี้มีอยู่กับทุกเขาทุกคนถ้าเราพิจารณาบ้างแล้วเราก็จะทราบของจริงตามส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ไม่ว่าจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แับแทบหรือว่ า, ว า, ากว้างขวางขนาดใดก็ตามมีหลักจัจจธรรมเป็นเครื่องยืนยันในศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่า ง, างทาาง่านพระกรรมฐานท่านแต่เพื่อนั่งพารณาอยู่ตามป่าตามเขาท่านเต ร, รียมคำพิีนี่ยคำพิกัจจธรรมทั้งสี่เรืเร่องของตัวเองนี้เป็นสิน่งสำคัญมาก เรียนไพมากเราเรียนมาพอสมควรพอได้ใช้พอเกี่ยวกับเรื่องฌานธรรมาหาเรื่องที่พอเต็นไปแต่วิชาทางใจที่จะพยุงจิตใจให้เราให้รับความสุขความเย็นใจนี้เป็นสิ่งที่ายากเป็นสิ่งที่เรียนไม่ยากและจิตใจก็มักกระปรืนซึ่งเราจะเริ่มนั่งภาวนาโดยมากก็ต้องหาเรื่องเรามาขัดข้างตัวเองอะไรต่างๆนั้นมากลัวจะเหน็ดเหนื่อยบ้างกลัวจะเป็นบ้าไปบ้าง เมือนปัจจัยนานีเป็นกายเป็นลมบ่มบ้าใครจะภาวนาก็กลัวจะเป็นบ้าความจริงปัจนาไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้าและหลักความจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้ถ้าเราจะเกียบกันหลักของของธรรมแล้วธรรมะา้าบ้านั้นมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนบ้าโลคบ้าโสดบ้าหลงก็เรียกว่าบ้าได้แต่ไม่แค่เป็นบ้ามุ้นอย่างบ้าที่เรามองถึงนด้วยความประพฤติสังเกตนี้ที่มีอยู่ในทั่วๆไปอันนี้เป็นบ้าประเภทหนึ่ง ธรมะท่านกลางสองท่านพุทธเจ้าท่านสอนให้ธรรมะสิ่งเหล่านี้เลยเรานั่งภาวนาดูหลายๆครั้งท่องเกตดูจิตใจของเราคือวิถีทางเดิมของจิตเราจะทราบได้โดยลําดับลําดับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือขณะหนึ่งๆใจของเรามีคิดมีตุ้งเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างเราจะเห็นเปนเหมือนกงจากภายในใจของเราคิดเรื่องนี้ดับ ลงไปคิดบังนั่งขึ้นมาคิดบันี้ดับลงไปคิดบังนั่งขึ้นมาคิดอย่างนี้โดยสม่ำเสมอไม่มีกางวันกางคืนเว้นเสียแต่ขณะที่หลักสนิทเท่านั้นนั่นเป็นขณะที่หยดพักพักผ่อนตัวเองพากผันก็พักผ่อนกระดวกสบายกันตามกันพ้าตื่นนอนขึ้นมากาก็คิดก็ปรุถ้าเราไม่มีการถัดห้ามท่านทานบ้างเพื่อหลักภาวนาแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องวิถีทางเดินของใจว่าคิดไปในทางใดมากน้อยต่างกันอย่างไ แต่เมื่อได้มีหลักภาวนาเราจะภาวนาทำบทใดก็าตามเจนจะกำหนดอนาถ า, านนะครับปีลมหายใจเข้าออกให้รู้ดู่กับลมที่ผ่านเข้าผ่านออกนั้นก็าตามเราจะกำหนดรำบาาทใดเช่นพุทโธเป็นต้นก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับรำบทนั้นๆไม่โยงจิตใจไปสู่ที่อื่นแล้วเราจะทราบความสงบทั้งใจ และเราจะได้พักผอนจิตใจเช่นเดียวกับเราพักผอนร่างกายจากงานงต่างๆมาอยู่ด้วยความสะดวกสบายงานของจิตคือความคิดความตุงงนานั้งกายคือการไปนั้นมานี่การประกอบการงานในหน้าที่ต่างๆเรียกว่างานของกายงานของวาจาคือการพูดพูดไม่หยุดก็เหนื่อยทำไม่หยุดก็เหนื่อยคิดไม่หยุดก็ต้องเหนื่อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้มีการพักผ่อนยอนตัวเองให้มีความสะดวกสบายด้วยบท ธ, ธรภาวนา พระพุโทโธประานกาหนดธนาทา น, นสิบอารมณ์อใจเข้าออกประานเราไม่ต้องกลัวจะเป็นม้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้เป็นม้าการที่นักทำงทางนาภาวนะไปเรื่อยๆแล้วจากอดเป็นคนเสียสติขึ้นมานั้นเนื่องจากไม่ดังเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คือขณะจิตที่จะทําให้คนเสียสตินั่ง มีทางที่จะเป็นได้สำหรันบนักภาวนาที่ไม่มีผู้อบรมสั่งสอนหรือผู้อบรมสั่งสอนไม่ทำนิทำนา น, นวิถีทางเดินของสติปัญญาของการภาวนาอาจมีทางเป็นได้เช่นขิดสงบลงไปชื่อระยะหนึ่งแล้วส่งออกไปเห็นภาพภายหน้าภาพนั้นอาจจะเป็นภาพที่ตนเคยกลัวมาแล้วแต่อดีตหรือเคยกลัวมาแล้วจนติดใจก็ได้เช่น นิสัยคนที่เคยตัวผีพอเริ่มพาวนาจิต ก, ก็นึกนึกจะตัวผีอยู่เสมอพอพาวนาไปมีจติตสงบตั้งเล็กน้อยสัญญาก็ไปคาดไปหมายปรากฏเป็นภาพขึ้นมามาเป็นภาพผีคือภาพเป็นตายจะเป็นหญิงตายก็าตามผู้ชายตายก็า ต, ายาตามทําให้เกิดความกระดึ้ตัวในขณะนั้นเมื่อตัวมากๆากสติยับยั้งไม่ทัน ก็กลายเป็นคนเสียส ต, ติสัณฑ์การที่จะทําให้เกิดความเสียตะติทังนี้พระไม่ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในตนคือไม่ทําความรู้สึกกับใจโดยเฉพาะแต่ปัญหาอารมณ์ที่น่ากลัวนั้นอยู่โดยลำดับจนจิตใจพุพพ่งสร้างจนจิตใจเกิดความเสียใจหดหู่และเสียใจมากยึ่งกว่านั้นก็กลายเป็นคนเสียส ต, ติสัณฑ์นี่การเปินเช่นนี้ไม่ใช่หลักภารนาธาให้เป็นแต่เป็นพราจิต คือกระแสต้องคิดคิดออกไปนอกลู่นอกทางแย่งหลักการภาวนาะนี่อาจมีทางเป็นไปได้แม้เช่นนั้นก็ตามวิธีแก้ไขสิ่งเหล่านี้ขณะที่เราปรากฏเห็นภาพเช่นนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เทียบกับสิ่งภายนอกเช่นเราก็เคยเห็นคนตายไม่ใช่หรือเราไปสื่เอกสานที่ต่างๆเช่นไปเนรเขาศพไปเท้าศพเอ ส, สานที่ต่างๆเราก็เคยเห็นคนตายไม่ใช่หรือทาไมเราไม่กลัวจนนา่าเป็นมากอันนี้ก็เป็นความเห็น ภายในจิตเห็นภาพแห่งคนตายทำไมจึนตัวเช่นนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราย้อนจิตเข้ามาสู่องค์แห่งภาวนาเสียเข่ททกมกําหนดกับพุทโธมีจิตผกมั่นอยู่กับพุทโธหรือจิตคิดมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แล้วภาพทั้งเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นจะหายไปจะเหลือแต่ความรู้ล้วนความรู้นี้ไม่มีอันใดที่จะมาทําอันตรายได้ตายก็ไม่เป็นจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็เป็นไปไม่ได้ จิตงเราตรงอยู่กับทามรู้หรือตรงอยู่กับคำมากพุทโธหรือตรงอยู่กับลมหายใจแล้วห้าอันนั้นก็หายไปไม่มีสิ่งใดที่จะมารบกวนใจได้ใจมีแต่จะย่างเข้าสู่ความทั้งหมดเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นนี่คือการหลักของการภาวนาโดยถูกต้องแจะไม่มีอาการเสียงหาเกิดขึ้นแก่ผู้ภาวนาเลยแต่ถ้าใจชอบเที่ยวไปทางโน้นทางนี้ ทนอยากจะไปดูนรกบ้างอยากจะไปดูสวรรค์บ้างอยากจะไปดูผีที่กองนั้นบ้างที่ป่าผ้านี้บ้างจนจิตคิดพนองทั้งทั้งสิบตัวของตก็กลัวผีอยู่แล้วอันนี้ล่าแหลมต่ออันตรายไม่ควรคิดไม่ควรหาเรื่องกับ ต, ตัวเองการลงจิตไว้กับองค์ภาวนาเท่านั้นเรื่องความเป็นต่างๆนั้นจะไม่ปรากฏนอกจากความสงบเยืกเยใจนี้เท่านั้นจกเกินผลให้ท่านผู้ภาวนาได้รับเป็นความสุขความสบายแจ่มใจ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิชาทางทจิตใจเพื่อรักษาตัวเองให้รู้อารมณ์ั้งตนนั้นมีมากหรือน้อยและอารมณ์ของจิตนั้นหนักในทางใดหนักในทางโลกมากก็จะาคาดพัดในตนของการภาวนาหนักในทางโกรธก็จะคาดหนักในทางความหลงความโลภอันใดก็จะคาดเพราะเรียนวิชาก็าคือเรียนจิตใจของตนเเป็นหลักสําคัญมาก หลักธรรมะทำต่างสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นโภปณะวิโภน้อมเข้ามาดูเรื่องของเราเม่นเราเห็นคนตายเราก็นำมาเทียบกว่าท่านผู้นี้ตายแล้วในวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ควรจะนอนใจในความเป็นอยู่ของเราจรึงใดที่ควรจะรีบเสี่ยงขวัขวายเสียในขณะนี้ก็ควรรีบเสี่ยงเสียแต่แบบนี้เป็นเส้นไปเวลาตายแล้วจะไม่เสียข่าเสียอีก นี่ก็เป็นการเที่ยงเทียงภายนอกเข้ามาสู่ภายในให้เกิดความเมตตาหมาดและเฉลียวฉลามดีได้จากสิ่งที่น่ากลัวนั้นกลายเป็นสาระแสงสารขึ้นมาภายในตัของเราตอนความตายนี้เราจะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเหตุที่เราตัวตั้งทั้งที่เราจะตายอยู่เพราะวิชาทางจิตใจของเราไม่รอดคอเราเรียนวิชาความหลักพระืชธรรมดายังให้พอถ้าเราเรียนให้พอถึงความเกิดความตายจริงๆแล้ว เรื่องความตากับัวเกิดก็จะมีอะไรมีน้ำหนักมากขึ้นกว่ากันแดงพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านเรียนความเกิดความตายจนรู้ท่านนี้ทำงานต้องแทบจนจิตใจหลุดค้นจากทั้งตัวนี้ทั้งหมดแล้วยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีความดีอกดีใจแม้ถึงเวลาจะตายไปท่านก็ไม่เสียใจเพราะความเกิดกับความตายนี้เป็นเรื่องของเพียงธาตขันเท่านั้น เกิดขึ้นมาก็คือธาตุขันธ์รวมกันเข้าเรียกว่าส่วนผสมต่างๆรวมกันเข้ามีใจเป็นผู้ครองว่างนั้นเรียกว่าเกิดขณะที่ตาต้อคือธาตุ ส, สีดินน้ําลงไปอันเป็นส่วนอวัยวะๆนี้สลายตัวลงไปจากคาวามการผสม น, นี้แล้วลงกระสู่ธาตุเกิดของเขาเพียงท่นั้นไม่มีสิ่งใดจะปะเพื่อนกับสิตใจของท่านให้เกิดความเ้หาหมองให้เกิดความสงสัยให้เกิดความเสียหายให้เกิดพัก มือรายได้ล่ำรวยขึ้นมาแต่อย่างใดข้อติของท่านรือรอกขอบคิดหมดแล้วพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลู้เข้าเอาทำแกหมดจึงไม่มีแรงกระทุกระเพือนถึงใจท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำประโยชน์ต่อไปเมื่อหาไม่แล้วก็คอยไปตามพระศิธรรมนาซึ่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่คือปัญญาเลือนอย่างทราบความเป็นของตนด้วยหลักภาวนาเมื่อเราทราบความเป็นจริงเช่นนี้เนี่ การานที่ใดก็เหมือนกับก็เหมือนกันไปหมดมาได้ตืนเต้นมาเด้เสียอกเสียใจมไม่เด้เปลืเมื่อตายลงไปแล้วเราจะจะเกิดกระฐานที่ใดก็ไม่นี้ตกมีนิจตกวิการเพราะเรารี้อยู่กับตัวเราแล้วว่าปัจจุบันนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเรามีหนละักมีสาระแก่นสารมีความเป็นอยู่อย่างไรมีความบกุกคงหรือสมบูรณ์ประการใดบ้างเราทราบพัดไปกระดดพดถึงแล้ว คือเป็นจิตที่พอตัวแล้วด้วยหลักการภาวนามีสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องตักซอกเป็นเครื่องกำจัดที่เดือดร้อทั้งหลายจนตใจเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วอยู่ไหนก็คือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนดวงนั้นผลสุดท้ายนิพพานท่านก็ไม่อยากไปความอยากนั้นเป็นกิเลสประเภทหนึ่งถ้าถึงความบริสุทหมดเกลื่อนโดยสิ้นเงแล้วความอยากเหล่านี้จะหายหมดอยากตายก็ไม่อยากอยากเกิดก็ไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยาก อยากหาอะไรเพความอยากเหล่านี้ท่านก็บอกว่าเป็นปัญหาเป็นที่เดชเหมืนอย่างเรารับพานอื่นแล้วเราจะอยากอะไรอีกถ้ายังมีอยากถูอเรียกว่ายังไม่อิ่มยังบกทลั่งคลังรับพานอื่มจนเพียงพอเมื่อเพียงพอจนที่แล้วก็ไม่อยากนี่ชันใจก็เหมือนกันใจเมื่อสมบูรณ์็มที่เรียนวิชาของตัวเองให้เต็มปู่มแล้วความเกิดก็ทราบัดความตายก็ทราบพัดที่เดชปัญหาก็ทราบพอกออกโดตลอดทั้งปุ่มไม่มีถึงในติดติดใจ เราก็เป็นใจที่สมบูรณ์ไม่ไม่เป็นใจที่บกพ้องจึงไม่ริยงการไม่เรื่องสถานที่ว่าการยู่ในสถานที่นั้นเป็นอย่างไรดื่มในสถานที่นั้นเป็นคุกดื่มในสานที่นี้เป็นสุขจึงไม่มีกับใจของท่านคุณนั้นเวลานั้นใจเป็นสุขเวลานี้ใจเป็นทุกจึงไม่มีไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตว่าตายจะได้จะไปเกิดที่ไหนจะไปอยู่ในสถานที่ใด ปัจจุบันนี้อยู่ชั้นในคอ น, น, านาคตไม่มาเกี่ยวข้องเราก็ต้องดู่ชั้นนั้นเหมือนกันคืออยู่ชั้นที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไดยสึกอยู่ชั้นในก็อยู่ชั้นนั้นมีคือผู้ที่เรียงทำให้จบภายในจิตใจถ้าใจพิดุกันแท้จริงก็คือใจตรงนี้สู้แห่งความเจ็บแห่งแก่ความเจ็บ ท, ทันตายก็คือใจตรงนี้เป็นผู้บันจุกไว้โดยขึ้นเชิงเมื่อทำละก็ต้องทำละผู้หลงนี้หลงใจหลงใจก็ต้องพาให้เกิดให้ตาอยู่เสมอ เปลี่นร่างนั้นเปลี่ยนล่างนี้แต่เจ้าตัวไม่ทราบว่าใจาาในี้พาไปเปิดเอกสานที่ใดบ้างจึงคิดเดาเอาบ้างภาดพมีเอาบ้างว่าแล้วเกิดคาดเดียวเราจะทําอะไรกทไร็ทําไปเปิดตายแล้วมัน ม, มีอะไรแต่ทางหนา้าทางหลังก็มีศูนย์ไปเลยอันนี้เป็น ค, คํามคาดคำเดาถึงจะเดาเท่าไรก็ตามความคาดคาเดานั้นจะมาลบล้างความจริงที่เคยจนมาเป็นอยู่นี้เป็นไม่ได้แต่เป็นความจริงอยู่ยวันยังทำเพราะฉะนั้นจึงใดที่เราจะเรียนให้รู้ตามหลักความจริงนี้ เป็นเรื่องหรือเป็นหน้าที่อของเราจะต้องเรียงเสียแก่แบบัดนี้เวลาตายแล้วการเดาการด้นหรือการคาดชะนีหลังนี้จะไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะมาเป็นฝากเป็นนามขั้นทางเดินของเราเพราะเราก็เดินอยู่เช่นเดียวกับโลกทั่วไปธรรมะในนี้หมายถ่งว่าต้องเกิดต้องตายต้องสวยดีเสบยชั่เ ว, เ, ว, เ, ว, เ, วเหมือนกับโลกทั่วไปหลักลัทธิการทของพระุทธเจา้าสอนให้รู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาให้ลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีผู้ใดจะรู้จะสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้ เอตั้งนามาจริงหนึ่งไม่มีสองก็คือพระพุทธเจ้าจับคำหนึ่งแล้วไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ไม่มีสองพระองค์กับคนใดบ้างอีกเลยมีองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้จับจริงก็มีคำเดียวเท่านั้นเป็นความจริงเมื่อรู้ถึงในแล้วต้องรู้จริงเห็นจริงสับไว้อย่างปกต้องดีงามเราเป็นพระมีขี้เดชมีปัญหามีอาชนะเราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นผู้ไม่รู้้พระไม่ตาแจ้งหูสว่างหรือว่าตาสว่าง เมื่อนิสิตตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราจะดนสร้างอํานาจของคืเด็ดปันหาอํานาจของธรรมอํานาจของทัของชาตของนรกสวรรค์ของบุญทั้มาปได้อย่างไรไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าเราเป็นคนมีคือเด็หนาปัญญาหยาดหรือท้านเหมือนอยพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เลไค้านในสิ่งเหล่านี้ใครที่เรียนตามพระพุทธเจ้าหรือตามพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อปรากฏว่าสาบบกองคใดได้พัดอพานพระพุทธเจ้าว่ากัดไว้ไม่สิ้นตั้งแต่บาปแต่บุญแต่นรกสวรรค์จนทั้งสิ้นนิทานอันสมศึก มีแต่กรงที่ปราบพระพะุทธเจ้าอย่างล้าเรี้ยไม่นั้นไม่มีองค์ใดจะสามารถนอกจากพวกเราที่เป็นนักดังพลัง น, นักเข้าจะคัดค้างทางพะระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นบ้างว่าอย่างนี้บ้างไม่มีบ้างในะโลกไม่ไมีบ้างก็ารที่เราอาจแบบไรยังไม่ทราบความเป็นขบงโลกล้างเมื่อใดเมื่อเมื่งวันตเพิ่มขึ้นบนขึ้นบนฟ้า มันก็ได้แค่ยิงตามหาของเง า, าของเหม็นของขจุเบิดแต่นั้นเรื่องของขจุเบิดไม่ชอบของสะอาดชาบของจอบกระตกจึงใดที่จะทําการสิดถามจิตใจตัวเองแล้วพยายามคิดค้นขึ้น ม, มาให้เป็นอุปสรรคจะเป็นเองอยู่เสมอแล้วก็ถือว่าดีมีจะมีใส่ของขจเบิดอย่างนั้นนักบากท่านไม่เต็มเช่นนั้นรู้ได้ใจเห็นได้ใจอย่างรู้ด้วยทํางานแล้วปล่อยวางแล้วตามจะฆ่าตามจะฆ่าใครจะรู้ก็ตามให้รู้ก็ตามท่า น, 3 3าานาไม่หนักใจเบาใจตับที่ใด ถ้าต่างคนต่างรับสืบชอบตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นใดจะมารับสุดชอบแม้ผู้ปฏิเสธเรื่องมนักเรื่องผลเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานก็ตามก็คือผู้รับสืบชอบตัวเองอยู่นั่นแหละบากบุญคุณโทษผู้นั้นจะต้องได้รับเชิ่มเดียวกับตัดโลกทั่วไปท่านไม่เป็นผู้หนักใจถ้าท่านเป็นผู้รับสืบชอบท่านเลยต้องบุอยู่แล้วดีท่านตัวทราบชื่อท่านตัวทราบทราบอยู่ภายในใจท่านเป็นผู้รู้อยู่ภายในใจรับสืบชอบอยู่ภายในใจของท่านเองท่านจึงไม่ไปแสดงความหลักใจเบาใจกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีการ แสดงออมาให้แสดงแทนการและแสจิตใจท่านต่อวางไว้ตามเป็นจริงจึงเรียกว่านักปราชญ์นักปราชญ์นเป็นอย่างนั้นถ้ากควรจะแนะนำสังสอนบ้างท่านก็สอนตารสติกําลังของความสามารถของผู้นั้นที่จะพอรับได้พอรับได้ได้บ้างหรือผู้นั้นสามารถที่จะ ได้มากเพียงไรท่า่กระพริบเทลง่ายเป็นกติกําลังคามสามารแต่งความเมตตาต่างกันโดยไม่มีความอะไรเสียดายต่อธรรมะที่จะเป็นประโดดแต่บุคคลนั้นนั่นเลยนักป่าขั้นเดินอย่างนี้ถ้ามาเดินง่ายๆเติมเสียมลูกนั่นคานี้ปฏิเสธนั่นลบนั่นทิ้งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายเป็นพุทธาบวยจักรคือลูกเต้าเราก็ของพระพุทธเจ้าจึงควรนําธรรมะคํามสอนมาซักตอสจิใจของตนให้ เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งอยากให้เวลาเวลาเสียไปเ่าๆหลังฐานนั่งต า, ายกาลังร่างกายก็เสียไปทุกวันทุกวันเราจะหวังซึ่งอะไรถ้าณาจักงความดีสําหรับตัวเราเราไม่รับผิดชอบแล้วและเราจะมอบหลังฐานนั่งตาจิตใจตรงนี้ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดไปรับผิดชอบล้วได้บ้างไม่มีต่างคนต่างมีฐาระหนักเออต่างจึงต่างคนต่างทำละต่างคนต่างแก้ายต่างคนต่างบรรเ็มให้เป็นจุงงามความดีสําหรับตนจะเป็นที่ตื่นใจทั้งโลกนี้และโลกหน้า การแสดงคำคำต่างสทั้งองค์สมเด็จและปุรีพระภาพเจ้ามาก็เห็นว่าสมควรเจริญขออํานาจแห่งคงงานความดีทั้งหลายที่บรรดาญาติทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพเป็นต้นได้บำเพ็ญกุศลในทางนี้ให้สําเร็จผลประโดดน์คุณมีติยะณสีลวันถ้าการดีใจเกี่ยวกับเรื่องการกระทำคาที่พูดจิตใจคิดออกมาอยู่เสมอแล้วย่อมไม่พลาด เมื่อไม่พลาดใ น, น่เคลิ้มเองแล้วผลกิจจะเกิดมาจากที่ไหนย่ำไม่มีมีแต่ความเ่็นเย็นสงบหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคือเรียกวัดตัวัดพักกตธรรมคือตรัสไว้ชอบดัสไว้โดยถูกต้องไม่มีกิจชีพพาดไม่และเป็นนิยานิจตธรรมสามารถที่จะนำภูมิวัติปฏิบัติให้พ้นภูมไปได้โดยลำดับลำดับโดยไม่ต้องสงสัย ไม่มีโอวาที่ืําำสอนของท่านผู้ใดจะจะมาเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจรททิงพระะไตรปิฎกพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระไตรปิฎ ท, ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากที่เด็กอาชวะซึ่งเป็นสิ่งมัวหมองลึกเป็นสิ่งจิตกำบังที่จะให้ ท, ำทำําความผิดต่างๆได้เป็นพระไตรปิฎ์เมือ่อพระไตรทปิฎกมีอยู่ในพระองค์แล้ว การสัง่งสอนพระโลกต้องสั่งสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจสั่งสอนด้วยความศรัทธาพระครร์จรัรรลูกก็ต้องปฏิบัติถูกไม่ถูกไม่้รับผลถือความจักรพรรูกเป็นปราสดาึ้นมาการสอนโลกก็สอนสุดใจไม่ได้ต้องสอนห้ถูกต้างคามหลักพระสิิธรรมนาที่ประโลมจงรูงรง้ถึงอย่างไรจรึงเรียกยว่าตัวขาตัวพระว่าทาคำโมท่าทำเป็นท่านพระภูมิพราาะภจกกลับได้ชอบแล้วนิยามนิยธรรมผู้ปรบพฤตปฏิบัตในทางใด หนักภายในทางใดก็ย่อมมีผลจากฏฎขึ้นในทางนั้นอันเต็นความดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ผิดพลาดเช่นอย่างอื่นแต่ได้จึงเรียกวานิยา น, นิปธรรมไม่ใช่ทนําไปแล้วผลไม่มีถ้าอย่างนั้นศาตรนาก็เป็นโมฆะศาสตรนาก็เป็นธรรมชาติที่โกหกเราวงโลกแต่นี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาตราเกหกไม่ใช่เป็นศาสตราเลงโลกคำสอนจึงเป็นของจริงเสมอไปไม่เป็นคําสอนที่หลอกลวงพระพุทธเจ้าจัดไว้ มนทำใดประโยชน์ใดออกมาแล้วจากพรภพภูมิสุขตรงเห็นจริงรู้แจ้งทุกอย่างไม่ใช่จัดได้อย่างง่ายๆเหมือ น, นอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากเอาดาวเอาเป็นเศษมากไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นคําสอนที่คนต่อการพิสูจนไม่ได้ยกตัวอย่างทใกล้ๆที่มีอยู่กับตัวของเราท่านมาสัจธรรมทั้งตีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสรูทรสร้ท่านของจริงทั้งต ความของจริงทั้งสีนี้ก็ประกาศอ้าพายอยู่กับพวกเราทุกคนนอกจากเราพิจารณาถึงความจริงนี้เท่านั้นจึงอาจไม่กล้าเห็นความจริงทั้งทั้งที่มีอยู่กับตัวของเราคำว่าทุกทุกตายก็มีอยู่ทเสมอทุกตาก็ปรากฏอยู่เสมอคำว่าสมุทัยเจตังคีราข้าสถานคาตาคาตาคาตาอภิญันบิมีเจยพิบางตามมตัชหานภวฐานวิภวฐานนี้ก็เป <evet. S 2> ็นไปอยู่ในจิตใจของเราทุกๆคน ไม่มากเพนะนั้นเป็นประโยชน์ทั้งวันทั้งคืนทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่ากัจะจธรรมฝ่ายละคือทุกป์ตัดสมุทัยเป็นสิ่งที่ไม่ถเป็กนกัจฉณะมักคือข้อปฏิบัติมีทางถึงภาวนาหรือถึนสมาธิปัญญาเป็นต้นท่านเรียกว่าเป็นทางเดินเพื่อความดุจ้นนิโรธนีโรธแม้จะทมดับทุกข์มักคือข้อปฏิบัติเร กำลังมากอย่างไรทุกจะดับไปโดยลํด ำ, ด, ำดับลา ด, ดับดับไปตั้งแต่จำนวนน้อยจนกระทั่งถึงจํำนวนมากเมื่อทุกเมืม่อมัดคือภาพปฏิบัติมีกําลังความสามารถเต็มที่แล้วย่อมเป็นนิโรธโดยสมบูรณ์เกี่ยววันนีโรดคือความดับทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเลหลืออยู่ภายในใจนั่นเลยแต่เสียงร่างกายนั้นมันเป็นบ้านเป็นเรือนของทุกอยู่แล้วถ้ากายที่ไม่แปกผหลายเมื่อไรทุกต้องมีอยู่ในใจนประจําเพราะ ตายนี้เป็นบ้านเป็นเมือเป็นสถานที่อยู่แห่งทุกหรือว่าเป็นกางทุกข์ก็คือเมื่อตายนี้ยังเป็นตายอยู่ปอาวุธก็ต้องเป็นทุกเพราะบิญญาณยังเป็นผู่ ร, รักฆ่าอยู่ในตายนี้เมื่อตายไปแล้วก็หมดทำหมายใครใจะ ใ, ใ, ใ, ใส่ตืนแต่ไตรลึกสังลงไปยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีผู่รักฆ่านีในศัตท์ธรรมทั้งสีน่นี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนถ้าเราทิจเป็นาบั้งแล้วเราประจักษ์ของจริงตามส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ไม่ว่าจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้พักแคกหรือว่ากว้างฟังขนาดใดพระอาจรมีหลักปฏิจจธรรมเป็นเครื่องยืนยันในศาสนาทั้งพระพุทธเจ้าอย่างท่านพระกรรมฐ า, านท่านเคยนั่งภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาท่านตัวเรียนทำคีนี่อะทำคีปฏิจจะทําทั้งสี่เรือนเลื่อนขังตัวเองนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรียนทาไมเราเรียนมาพอสมควรพอได้ใช้สายเรี่ยวกับเลื่อนการทำมาหาเรื่องที่พอเป็นไป แต่ดุขาทาใจที่จะพยุงจิตใจของเราให้รับความสุขความเย็นใจนี้เป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่เรียนได้ยากและจิตใจ ก, ก็มักกระปรืนซึ่งเราจะเริ่มนั่งภาวนาโดยมากก็ต้องหาเรื่องอานเลามาอัดห้องตัวเองอะไรต่างๆนานานตะัวจะเหนื่อยเบื่บ้างตัวจะเป็นบ้าไปบ้างเหมือนจัดจักรสนามี่เป็นก า, ายกำลง โ, โ, โบ่มบ้าใครๆจะภาวนาก็ตัวจะจะเป็นบ้าความจึงขาดนามไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้า และหลักความจึิงที่ปฏิเกธกันไม่ได้ถ้าเราจะเปรียบการหลับของของธรรมแล้วธรรมมบ้านบ้านนั้นมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนบ้าโลคบ้าโสดบ้าหลงก็เรียกว่าบ้าได้แต่ไม่ใช่เป็นบ้าเหมือนอย่างบ้าที่เรามองเห็นเรื่อความเปรตทางเลือดมีที่มีอยู่ในเรืทั่วไปอันนี้เป็นบ้าประเภทหนึ่งธรรมะธรรมทางสองท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ธรรมะสิ่งเหล่านี้แล้วนั่งภาวนาดูหลายๆครั้ง ทั้งเกิดดูจิตใจของเราชีวิตผีวิธทางเดินของจิตเราจะทราบได้โดยลํำดับลํำดับขนาดที่เราปรากฏเห็นภาพขึ้นนั่นขึ้นมาแล้วเราก็เทียกกับสิ่งภายนอกเึ่นเราก็เคยเห็นคนตายไม่ใช่หรือเราไปสืบเกสารที่ต่างๆขึ้นไปเมือเผาศพไปเท้าศพเอกสานที่ต่างๆเราก็เคยเห็นคนตายไม่ไช่หรือทําไมเราไม่เัวเป็นขนาดเป็นบ้าอันนี้ก็เป็นความเห็นภายในจิต ผลภาพของคนตายทำไมถึงตัวเช่นนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วย้อนจิตเข้ามาสู่องค์หางภาวนาเสียเช่งกาหนดกับพุทโธมีจิตถูกมันอยู่กับพุทโธหรือจิตคิดมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้แล้วภาพอัน็งสิ่งที่น่ากลัวนั้นจะหายไป ก็เหลือแต่ความรู้ัล้วนความรู้นี้ไม่มีอันใดที่จะมาทํามันตรายได้ตายก็ไม่เป็นจะทํำล า, ายให้เุดอะไรก็เป็นไปได้จิตของเราตรงอยู่กับความรู้หรือตรงอยู่กับคำว่าพุโทโธหรือตรงอยู่กับลมหายใจแล้วภาพอันนั้นก็หายไปไม่มีจิงใดที่จะมารบกวนใจได้ใจมีแต่จะยางเข้าสู่ความสงบเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นนี่คือการหลักของการภาวนาโดยถูกต้อง จะไม่มีอารเสี่อหายเกิดขึ้นแก่ผู้ภาวนาเลยแต่ถ้าใจชอบเที่ยวไปทางโน้นทางนี้ต้องอยากจะไปดูนรกบ้า ง, อย า, าาางอยากจะไปดูสวรรค์บ้างอยากจะไปดูผีที่ตรงนั้นบ้างที่ปลายทานี้บ้างเป็นจิตคิดขนองทั้งทั้งติดตัวของตัวครอบครัวผีอยู่แล้วอันนี้นอแหลนต่ออันตรายไม่ควรคิดไม่ควรสาเรื่องใส่ตัวเองให้จำลองจิตไว้กับเพรหภาวนาเท่านั้นเรื่อง ความเป็นต่างๆนั้นจะไม่ปรากฏนอกจากความสงบเย็นใจนี้เท่านั้นจะเป็นผลให้ท่านที่ภาวนาได้รับเป็นควา ม, วามกิันตบาเแี่จิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิชาทางจิตใจเพื่อรักษาตัวเองให้รู้อารมณ์ของตนวัามมากหรือน้อยและอารมณ์ของจิตนั้นหนักไปทางใดหนักไปทางโลกมากก็จะทราบพักภัยตรงของการภาว น, หนาหนักไปความโกรธก็จะทราบ นักแค่ทางคําหลงความลงมาอันใดก็จะทราบเพราะเดือนวิชาก็คือเดือนจิตใจของตนเรื่อเป็นหลักสำคัญมากหลักธรรมะธรรมจัสอนของพระพุทธเจา้าท่านสอนให้เป็นโอปณะญายุโกน้อมเข้ามาดูเรื่องของเราเช่นเราเห็นคนตายเราพนั น, นมาเทีย่ยวว่าท่านคนนี้ตาแล้วในวันนี้เราอาจจะตายในวันพุ่งนี้ก็ได้ไม่ควรกะเราไม่ควรประมาท ระนอนใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนโปรดตั้งใจบำเพ็ญการพักผ่อนย่างตัวเองให้มีความสะดวกสบายด้วยบธทธรรมภาวนาแบบพุทโธก็ตามกำหนดธรามานักสืบเริ่มอาจายเข้าอคอตามเราไม่ต้องกลัวจะเป็นมาาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาโดยสานคนนั้นเป็า น, านาการทิงนักภาวนาภานา ไปเรื่อยๆเมื่อปรา ก, กฏเป็นคนเสียสติขึ้นมานั้นเนื่องจากไม่ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรสงสั่งสอนไว้คือขณะจิตที่จะทำให้คนเสียสตินั้นมีทางที่จะเป็นได้สาหรับนักภาวนาที่ไม่มีผู้อบรมสั่งสอนหรือผู้อบรมสั่งสอนไม่ทำนี้ทำนานในวิถี ท, ทางเดินของสติปัญญาของการภาวนาอาจมีทางเป็นได้เช่นจิตสงบลงไปเพื่อระยะหนึ่งแล้วส่งออกไป เป็นภาพภายนอกภาพนั้นอาจจะเป็นภาพที่ตนเคยกลัวมาแล้วแต่อดีตหรือเคยกัวมาแล้วจนฝึกนิสก็ได้เช่นนิสัยคนที่เคยกลัวผีพอเริ่มภานาจิตก็มีนึกนึกจะกลัวผีอยู่เสมอพอภานาใครจิตสงบตั้งเล็กน้อยชั้นญญาเขาแต่พลาดไพ่หมายตา ก, กิเป็นภาพขึ้นมามาเป็นภาพผีหรือภาพคนตายจะเป็นหญิงตายก็ตามผู้ชายตาก็ตาม ทำให้เกิดความระลึกตัวในขณะนั้นเมื่อตัวมากๆาจิตยับยั้งไม่พันก็กลายเป็นเป็นเสียส ต, ติกปได้การที่จะทําให้เกิดความเสียส ต, ติดังนี้พระไม่ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในตนคือไม่ทําความรู้จึตกับใดเลยเฉพาะแต่ใบไม้อารมณ์ที่หน้าตัวนั้นคือโดยลํำดับจนบจิตใจพื้นสร้างจนจิตใจเกิดความเสียใจยหดหู่และเสียใจยมากขึ้นกวานั้นก็กลายเป็นเป็นเสียส ต, ติก็ได้มีการ เรื ais, ey, ่องนี้ไม่ใช่หลักการนะ